ธรรมชาดกแผ่นที่11ดลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13คกุมภาพันธ์2558มีชื่อเรื่องว่าเกิดเป็นลูกควายคณะสัทายาติโยมคงเหตเอหลวงพ่อดูกระดาษอะไรเหรอ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 แต่ผลสรุปออกมาแล้วก็บอกว่าผลสรุปการตรวจทางห้องปฏิบัติการไขมันหลวงพ่อสูงนั่นคำแนะนำในการดูแลสุขภาพหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันการตรวจเลือดเพื่อติดตามไขมันในเลือดอีก3เดือนจึงกลาบนมัตสการมาณที่นี่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 อยาไปดันผู้หลังแต่หลวงพ่อก็พยายามอยู่นะพยายามจะลดแต่คิดว่าพวกผ ล, ลไม้พวกผ ล, ลไม้เนี่ยที่หลวงพ่อฉันน่มันอาจจะมีส่วนอยู่แต่ส่วนอื่นก็ไม่ก็ไ ม, ไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่ถึงยังไงก็ต้องระมัดระวังทำไม แต่หลวงพ่อกลัวที่สุดก็คืออมาพึกอมตะพาะถ้าหากว่ามันข้นไปปิดหัวใจปิดสมองหรือมันปิดหัวใจถ้าปอกนะก็จบไปแต่มันไม่ปิดสมองเลยเจ้เงี้ยเส้นเลือดเข้มข้นไปอุดตันสมองอข้างใดข้างหนึ่งเป็นอมตะพึกอมตะพาดแต่ทีนี่ทํายังไง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 ไตกิซลายคอเลสเตอรอลไตกิซลายก็คือไขมันไปเกาะในฝาผนังเส้นเลือดเลือดไหลไม่สะดวกอันนี้วแบบ่าอันตรายแล้วก็คอเลสเตอรอลเลือดเข้มเลือดข้นเลือดมีไขมันเยอะจนเลือดเนืบไหลไม่สะดวก ก็ทำให้ไปปิดสมองเป็น อ, อนมภพอมพานเมื่อเป็น อ, อนมภพอมพาตจะนีปัญหาจะทำยังไงตายก็ไม่ตายหายก็ไม่หายผลีนสุดลกูกหลานเขาใหม่ๆเขาก็เรียงดียหรอกพอต่อมาหลายปีหลายเดือนเข้าไปจะนี่นั่นแหละโมโหอะไรทะนี่ เราได้ยินขนาดเป็นครูบาอาจารย์ก็เถอนะถ้าว่าลูกศิษย์ลูกหาไม่มีคุณธรรมในจิตใจมุ่งหวังแต่าทางโลกต่อหน้าคนก็ดเีเพื่อจะให้รู้ว่าตัวเองดูแลผลนิบัตคิครูบาอาจารย์ดีแต่พอรับหลังไม่มีคู่คนก็โชคโหกหักด่าครูบาอาจารย์แบบ ไร้ความเคารพในครูบาอาจารย์เพราะลุกศิษ์ไม่มีคุณธรรมไม่มีธรรมในใจจุดนั้นเป็นจุดที่ไม่รู้จะทำยังไงอาจารย์ก็มีแต่แตรู้รู้อยู่แต่ไม่รู้จะทำยังไงมีแต่มองตาแผลบแผลบแผลบแ คงจะนึกปรงตกเหมือนกันเออกรรมของกูน้อกรรมของกูน้อก็คงจะว่ายอย่างนั้นเท่านั้นนะเออจะทํายังไงออต่อหน้าเขาก็ดีแต่ออพอรับหลังอีกบางอย่างหนึ่งเออตรงพ่อเคยได้ยินะผลทีออ่สุดก็เลยพอมารู้ม า, รมาทราบทีหลังก็เลยเอาออกเอาองค์นั้นออกไปเอาองค์อื่นเข้ามาแทนก็รู้สึกว่าท่านมีสุขภาพดีขึ้นะ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 มันอาจจะมีส่วนเหมือนกันบางครั้งนะบางคนนะแต่บางคนกกรรมในปัจจุบันปัจจุบันน ก, กรรมก็คือไม่ได้รักษาสุขภาพของตนเองปล่อยปะละเลยจนเกินไปก็จนทําให้เจนเลือดแต่อันนึงคือว่าปัจจุบันน ก, กรรมอดีตกรรมก็คื อ, ค, อคงได้ไปทําให้กับสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายในอดีตชาติ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 ถ้าเรารักษาทั้งสองอย่างนี่แล้วนะก็เออจะถ้ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นอ่าเราก็ต้องน้อมยอมรับค่าหางเกิดมานะค่าหางเกิดมานะถ้าค่าไม่เกิดจะละจะอย่างคงจะไม่มีอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะค่าเกิดมันจึงมีเยเพราะนั้นจะทำยังไงค่าจึงจะไม่เกิดนะ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 ลูกของเจ้าค้ายเจ้าเป็นดินอพอเกิดมาก็มาเกิดเป็นหมูก็มีนะลงมาจากพรมแล้วลงมาจากพรมมาเกิดเป็นหมูพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปบิณฑบาต ท, ที่กรุงราชสกุลกับพระอานุนเห็นนางหมูนคือหมูตัวเมียหากินอยู่ข้างๆถนนพระพุทธเจ้าเห็นแล้วยิ้มพระโอษฐ ย้มพระโอสโอ้โกรรมเป็นได้หลายอย่างหนอนะ้ะพระนร์กราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์แย้มพระโอสด้วยเหตุอันใด น, นอพระเจ้าข่านะนี่เห็นไหมนะอานนะนนางหมูนะนะ่ะหมูจะได้มาจากพรหมโลกนะมาเกิดเนะอืมด้วยเหตุอันใดหนอพระเจ้าข่าเนะพราะกรรมกรรมกรรมดีขึ้นไปเกิดในพรหมโลก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 การกระทำของตนเองผลนั้นอย่าทำกรรมชั่วให้ทำแต่กรรมดีแต่ทำยังไงอผลในสุดถึงจะทำกรรมดีกรรมชั่วอย่างไง ก, ก็เถอะนะผลในสุดก็ตายอีกอย่างเก่าเกิดแก่เจ็บตายอย่างเก่าถึงจะทำกรรมดีขนาดไหนผลในสุดก็ตายเอยระดับสูง ข, ขนาดไห น, นก็ตายล้ำรวยขนาดไหนก็ตายเอย ความตายตัว น, นั้นอ่ะมันมหาความสุขไม่ได้นะความตายมีแต่เรื่องทุกทั้งนั้นเลยตอนก่อนที่จะตายพอตายแล้วก็ลืมไปเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็เออสนุกสนานไปอีกเกิดมาก่อนที่จะตายก็ทุกอีกเออค่ายอมละค่าจะไม่อยากจะมาเกิดอีกแลออที่ไหนได้ก็ลืมอีกนี่แหละอันนี้ก็คือดวงวิญญาณใจดวงนั้นอนะ่ะไปปฏิสนธิไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆ อย่างไปเกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นสัตว์โอ้ตายข้าเนี่ยเกิดเป็นสัตว์แล้วข่าวนี่นยอย่างพ่อค้าควายพ่อค้าควายไปขายควายไปขายควายที่ไปขายสมัยนะั้นก็เรียกว่าคนทางอีสานเนี่ยไปขายควายไทยไปขายควายไทยก็คือไล่ฝูงวัวควายข้ามดงพญายเย็นดงพญาไฟอะไรดงพญาไฟโคราชเนื คือเขาใหญ่ลงไปก็ตกทุ่งสระบุรีแล้วก็ลงไปขายอายุธยาเนี่ยไปขายควายไทยพอถ้ายไปกินอาหารพิษไปกินปลาไปกินอาหารพิษท้อืเกาเลยตายคอตายตายเดินขึ้นมามากับพวกพ่อค้าฝูงควายนั่นะมากับุ๋ง ปกที่ไปขายควายเอพอไปโอ้โหมันเห็นิวอาหารจริงๆมันเหนื่อยจริงๆก็เลยเข้าไปนอนไปนอนในโพรงไปนอนในที่บ้านอีกหลังหนึ่งเดินทางมาไปนอนในในบ้านอีกหลังหนึ่งออไปนอนพอนอนตื่นขึ้นมาเลยที่ไหนได้ที่โตเองไปนอนน่คือเข้าไปเข้าท้องควายเออไปเกิดในท้องควายเพง่อน พอออกพอออกมาชาวบ้านเขาโอ้เราได้ควายแล้วเนี่ยมันลูกมันออกเป็นควายตัวผู้ว่าไงเนี่ยตายเขามามองลุ่ล ม, มดูตัวเองถึงโอ้ตายข้าเนี่ยเป็นควายเลยที่นี่ว่าไั้นี่ยตัวตัวเองเป็นไปขายควายไปขายควายทางอายุทยากลับมาตัวเองมาตายแล้วมาเกิดเป็นควายตายข้าเป็นควายเลยเอาถ้าข้าจะไม่ กินน้ำละ่ะไม่กินน้ำกินนมละ่ะค่าจะให้ตายเร็วๆเพราะว่าค่าเป็นควายเลยเนี่ยไม่เป็นควายแต่จะขอตายนะเอ่พอไม่กินน้ำกินนมมันหิวทีนี่พอมันหิวเสร็จแล้วก็โอ้ไม่ได้มันหิวมากๆพอได้จุกกินกินนมแม่พอกินนมแม่แล้วมันก็ไม่ตายแต่ใจมีควาย เพอไม่ตายมันก็มันก็มันหิวเนี่ยมันก็กิกนนมเข้าไปเลยเออก็ดีเนี่ย่ะต่อมาก็กิกนน้ํากินหญ้ากินอะไรเข้าไปทถอะเนี่ยพ่อเป็นควายหนุ่มนะพ่อเป็นควายหนุ่มขึ้นมานออืสมัยก่อนเรามีแต่จับควายมาไถนาะสนตะไครเสร็จแล้วก็มาเอามันมาไถนาะตีมัน เนี่ยยั ง, ยงไงข่าไม่ไถนาแน่ๆเพราะมันระลึกชาติได้เด้มันระลึกชาติได้แต่นีก็ไม่ไถนาเพราะก็สนตะภายล้วมนุษย์เขาจับใช่ไมจับได้ก็สนตะภายสนตภายก็เอาใส่ไถไม่ไถมันไม่ไปแส้เขาหัวด่อนคอนเขาไตาผ่ผมมันเจ็บเด็ดเเจ็บก็ต้องไถนาให้เขาเ เออบางทีตัวเองก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนมาเกิดเป็นควายไงแต่ในใจนะไม่รู้จะทํำยัำยงไงตายจะดีกว่าว่าฆ่าเนี่ยเออแล้วจะทํำยังไงไถนาแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็นั่นอะ่ะเออทําไปทำไปดันไถให้เขาเขาก็แซ่หวดเขาตีตีควายพราะนี่ถูกวันหนึ่งเขาก็ปล่อยควายตัวนี้ออกไป พอไปกับควายตัวหนก็ไปหากินในดงในป่านะพอไปก็ไปเห็นเนี่ยหล่องน้ำหล่องน้ํามันไหลลงมาจากเขานะแล้วก็มีลากไม้เป็นสารกันเนะนี่ยจนถ้าว่าคนอยู่ในบ้านนอกจะเห็นเนะเวลาน้ําไหลลงมาจากภูเขาเนะ่ยมันจะผ่านมาเป็นหล่องน้ำนะํำมันจะเป็นลากไม้กระุงอีลงตรงนั่งกันไปหมดนะต่นนี้ควายตัวนี้ก็เห็นเออ ฆ่าตัวเองตายดีกว่าเอดีกว่าจะเป็นควายอย่างนี้นะเพราะว่าท่นั้นก็เลยเอาหวดหมดลงไปในในลากไม้ที่มันอีลงตรงนังนะขาซี่ขึ้นฟ้าเนะนี่ยมันก็ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมขึ้นเมือน่าควายแลต่ก็เลยตายพอตายท่านนี้ก็มามาเดินออกจากท้องควายนะมาเกิดเป็นคนก่อนกลับมาเดินเดินมามาถึงบ้าน มาเลยมาเกิดเป็นคนมาเกิดเป็นคนกับลูกกับหลานนะก็เลยมาพูดพูดให้เขาฟังโอ้ตายข่าแต่ก่เนนะี่ยเป็นนายห้อยชื่ออย่างงั้นอนะ่ะไปขายควายไทยไล่ฝูงควายไปที่อยุธยาผลที่โชครุนมากตายอยู่ที่อยุธยาเดินมา ก, กับพวกพ่อค้าควายนะมาถึงครึ่งทางนะเห็นว่ามันเหนื่อยก็เลยเข้าไปพักใน ในหนเงือมในถ้าอันหนึ่งหรือว่าเป็นที่พักแห่งหนึ่งพอที่ไหนได้มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่อื่นมันเป็นท้องควายเกิดมาเลยเป็นควายพอเป็นควายก็นี่นเขาคนเล่าเป็นตุเป็นตาให้เมื่อเขาเกิดมาอีกภพหนึ่งชาติหนึ่งอันนี้หลวงพ่อเป็นเด็กนะเอเป็นเนร อาหนอมเน่เป็นคนเล่าเล่าให้ฟังนะเอออาหนอมรู้จักหมดว่าคนเป็นใครชื่อว่ายังไงนะแ อ, อ่หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อืมันมีส่วนจริงๆในว่าเพราะว่าวิญญาณดวงนี้นะใจของเราเนี่ยมันออกไปเนะี่ยมันออกไปเกิดไปปฏิสนธิได้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจ้ะวะการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยวาชลาพุทธชาเน่ย เกิดในคันอันทชชาเกิดในไข่สังเสริฐชาเกิดในเท่าในเท่าในไข่ใครๆบอกจุดสิงที่หมักหมมที่สิ่งที่เกิดในสิงที่ศกกระปลกโอปป า, ปาติกะ เ, เกิดผลขึ้ น, นกําเนิดกําเนิดสี่ชุดแท้แต่วิญญาณของเราเนี่ยจะไปปฏิสนธิที่ไหนสมมติว่าเราตายไปปุ๊บบุญของเรามี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 เลือกเกิดในสถานที่ตรงไหนแต่ถ้าโกนไม่มีไม่มีบุญกัอย่างที่ว่านเะนี่ยอย่างพ่อค้าควายนะเออไปเกิดแบบไม่ได้ตั้งใจที่ไหนได้ไปอยู่ในท้องควายเกิดขึ้นมานตัวเองเป็นควายไนเะนี่ยแหละอันนี้ก็คือชลาพุ ช, ชะเกิดในคันพวกเกิดในคันกับพวกหมูหมาวัวควายนะเออ ชลาพุชะอันทชะเนี่ยชลาพุทชะเกิดในครนอันทชะเกิดในไข่สั้งเสตชะเกิดในเท้าไข่โอปปาติกะเกิดผุดขึ้นพวกเกิดในไข่ก็คือพวกเป็ดพวกห่านพวกนกเนี่ยเกิดในไข่สังเสตชะก็เกิดในเท้าไข่แค่ว่าเราเอาหม้อน้ำเออแล้วก็เอาไปไว้ ไปตั้งเอาไว้น่ยแล้วเกิดใส่เดือนเกิดอะไรตัวแดงๆอะไรนั่นนะอันนั้นนะเกิดในถิ่งสิ่งที่โศกกระปลกอแล้วก็ถือกําเนิดในสิ่งที่โศกกรปกเกิดขึ้นอโอปปาติกะ เ, เกิดผุดขึ้นอย่างพวกเป็นเปลยพวกอสุรกายาแต่ถ้าเราเปรียบเทียบเห็ น, น, นมแมลงตำข้าวนะหลวงพ่อเห็นนะ มแมลงตํามข้าวเนี่ยโอปปปาติกาเนีมแมลงตําข้าวมันเกิดอยู่ใบใบขุนทานใบโกทานเนอแต่ควันมันยังมันยังติดต้นไม้อยู่แต่ว่าขาของมันเน่ยเป็นมแมลงเนี่ยดิเนีเยแล้วโอปปปาติกาแค่เขาวิญญาณไปเกาะในใบไม้นั้นอ่ะพอไปเกาะเสร็จแล้วเนี่ยพอมันหลน่นก็มาก็เป็นมแมลงแต่เมื่อยังไม่เกาะ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 นี่แหละเรียกว่ากำเนิดมีอยู่สในหลักของพร ะ, พ, ระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราเน่ยถ้าว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เนี่ยพร้อมที่จะเคว้งคว้างไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆได้เพราะนั้นก่อนที่จะตา ย, ยท่านเรงว่าให้ระลึกถึงคุณงามความดีให้ตั้งจิตใจให้แน่วแน่ให้จิตใจให้มั่นคงเราอยู่ในอย่างไรในขณะนี้ ให้ระลึกถึงคุณงามความดีของตนเองที่ได้ทำไว้เมื่อจิตใจของเรารละลึกถึงคุณงามความดีเมื่อตายออกจากหลดออกจากร่างใจของเราก็จะไปสู่สุคติและไปทางที่ดีแต่ถ้าว่าใจของเราไม่ได้คิดเะไปในทางที่ดีเมื่อก่อนที่จะตายในโมโหครับแค้นแน่นใจพอตายไปแล้วอาจจะไป ไปเกิดเป็นสิงโตไปเกิดเป็นเสือไปเกิดเป็นงูเอ่อเป็นไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดุร้ายได้นะเออในพระไตรปิฎกท่านพูดอย่างนั้นเออท่านพูดเอออย่างพัฏาพญาธรรมโศกราชเนี่ยแต่นี้พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วนะเพอพระพุทธเจ้าปรินิพานใช้สามร้อกว่าปีเออท่านอาจจะเป็นภาษาวกเอ่อท่านใดท่านหนึ่งที่ท่านได้ เลียงเลียงเอาไว้เองพญาธรรมโศกราตเนี่ยปกครองสร้างถาวรวัตถุในประเทศอินเดียน8 4 0 0ชิ้ น, นเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลมากลูกชายก็จะเป็นพระหันพมหินลูกสาวก็ด้เป็นพระหันนางสังฆมิตราที่เป็นผู้นําพระพุทธศาสนาที่มาที่ประเทศสีลังกาเนี่ยพระเขียวแก้วนี่แหละลูกของพญาธรรมโศกราต แต่ท่นี้พอพญาธรรมโสกราชตายไปไปเป็นงูนะเลยแปลกไหมออไปเกิดเป็นงูใหญ่อันนี้ท่านพูดมาในในพระไตรปิฎกนะแต่พระพุทธเจ้าพริริพนปานไปแล้วสามรกว่าปีประเจ้าพญาธรรมโสออสวรรค์นคะร์ทำไมเพราะว่าก่อนที่พญาธรรมโสกราดที่ท่านจะสวรรคนะ์นคร์ท่านได้ทำสร้างโกลงามความดีมากมาย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 เงินชัวนั้นแต่นี้พวกมันก็เป็นเงินก้อนใหญ่ฮะพระเจ้าไปดินทําบุญไอ้พวกเจนาอมาัมหมัดราชเสวกิกทั้งหลายแต่โอ้ยพระเจ้าไปดินอาการหนักถึงขนาดนี้จะตายพอแรงแล้วพวกเราไม่ต้องเชื่อฟังรอกไม่ต้องทําตามเขาก็แข็งข้อเพอเพราะว่าสมัยก่อนเขาก็พูดสั่งยังไงเขาก็ยอมรับแต่คราวนี้เขาไม่ยอมรับเลยเตัวเองใกล้จะตายแล้ะ เออเพราะว่าหมดอำนาจแล้วแต่นี้พญาธรรมาโศกเ่ยก็โมโหให้เขาเออว่าเขาไม่ปฏิบัติตามที่ตนเองได้สั่งเอาไว้สั่งบอกเอาไว้เนี่ยมันเป็นเงินของข้าเนี่ยว่า เ, เงินส่วนตัวของข้าไม่ใช่เงินคลองประคังเงินคลองประคังอีกส่วนอันนี้เงินส่วนตัวของเราเราจะทําบุญเนี่ยทําไมมันปฏิบัติเอาเถอะเมื่อข้าหายขึ้นมาเนี่ยข้าจะเ ท, ทท้องประคัง ทำบุญทั้งหมดจิตใจเป็นกุศลอยู่นะแต่ก็มีอารมณ์โกโรธใช่นะเอมจากนั้นท่านก็เลยสวรรคตรตายพ่อตายออกจากร่างเท่านั้นแหละท่านเนี่ยออตายด้วยความโกโรธใช่ตายด้วยความโมโหไปเกิดเป็นงูด้อยไปเกิดเป็นงูอยู่ในหนองน้ําใหญ่ <c oughs> <c oughs> เกิดแบบผลดขึ้นเลยหรือว่างั้นแต อ, อไปเกิดในหนองน้ําใหญ่ในกลางตรงนะ หากินกบกินเขียดไปเลยถนะ้ามันหิวได้อย่างที่ว่าเนหะมือนกับควายนั่นเลยที่แรกแต่จะไม่กินนมไม่กินนมแม่เราข่าเกิดเป็นควายเนะี่ยให้มันตายไปเลยมันหิวทีนี้เพราะมันหิวก็ไดนะ้มันก็ต้องกินนมแม่พระกินนมแม่มันก็ไม่ตายเลยทนะ่านอันนี้ก็เหมือนกันนะท่านไปเกิดเป็นงูเป็นงูเสร็จแล้วก็ท่านก็แคว่งคว้างนะกินกบกินเขียดกินอะไรต่อมีอะไรพอเลี้ยงชีวิตตัวเองตอนนี้พมาเห็นท่านเป็นพระรหารไง เออพ่อของเราเนี่ยตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนน้อเยท่านท่านก็มองดูพร อ, อท่านไดญาณรัตนะเนี่ยจุดูปปราร์ตญาณการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายไปที่ไหนท่านเป็นพระรหันทรนัมหินเนี่ยท่านก็เลยมองดูเออพ่อของเราไปไหนเนาะตายแล้วไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนวะนี่ยเพราะท่านก็เล่งไปสวรรค์สก่อนเพราะว่าท่านมีแต่สร้างคุณงามความดีไง แต่ที่ไหนได้พ่อไปเกิดเป็นงูใหญ่เแคว่งคว้างอยู่ในหนองน้ํากลางหลงกลางป่าที่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> พ่อไม่หินก็เลยโอ้ตายพ่อเน่ยไปผิดที่ผิดทางซะแล้วพ่อมหินก็เลยไปโปรธนะพอไปไปการแสดงตนให้ปลาโกดขึ้นมากันเรียกเลยนะคุณพ่อ จำอาตมาได้ไ้มนี่ลูกชายนั่นน่ยพมาหินน่ยลักษณะอย่างงั้นแหละพ่อของมองดูเนี่ยพ่อในตายเพราะความก โ, โกรธโกรธโมโหให้เขาเนี่ยพ่อจึงตกต่ําไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยนะ ย, ยมพ่อนะออนะต่อนี้ไปให้พ่อรักษาสินห้านะจะไปกินสัตว์ที่มีชีวิตถ้ามันตายแล้วยังก่อยกินถ้ามันไม่ตายจะอยากินรักษาสินหานะพ่อนะ รักษาคุณงามความดีรักษาศีลห้านะงูตอนนั้นก็ฟังปอฟังอะไรกันงูตอนนั้นก็รักษาศีลห้าจริงๆไม่กินพวกสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่เห็นไงดไม่กินพอรักษาศีลห้ามันจ ะ, จะนานเท่าไหร่ใช่ไหมเพระไม่มีสัตว์ตายให้กินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเหมือนกับคนไปจ่ายได้ตลาดอย่างนั้นได้งูตอนนั้นก็เลยตาย พอตายอันนี้สงสีนั้ น, นสงทาน น, นั้นสงคุณงามความดีของท่านท่านก็ขึ้นไปสู่สวรรค์น่ะอั น, นิสงของท่านมีอยู่มากมายมหาศาลแต่ในโค้งสุดท้ายที่ท่านจะตายนั่นน่ะท่านโมโหให้เขานี่น่ะคนโบราณเขายังบอกว่าก่อนที่จะตายผู้ใดจะตายให้ระลึกถึงคุณงามความดีให้ระลึกถึงบุญกุศลอย่าไปสงจิตไปคล้องแวะในเรื่องต่างๆ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 ามาพูดามาพูดให้กันฟังอพูดให้กันฟังจนเคยชินจนไม่ไม่ถึงกับกลัวตายเถ้าเราไม่เคยพูดให้กันฟังเลยโอ้พอพูดกันตายเรื่องตายเรามาสะตุ้งทันทีเลยเพราะกลัวตายอพอพูดทุกวีทุกวันก็มาว่าไม่รู้จะกลัวไปทําไมอกลัวให้โง่ทําไมกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตา ย, ตายเอมันเท่ากันเพราะนั้นจะไปกลัวมันทําไมมีช่องทางไหม